เรื่องเล่าผีหลอนตอนเจอผีจาก Facebook เรื่องราวก็มีอยู่ว่าเจ้าของเรื่องนี้ได้ไปเห็นรูปของคนผูกคอตายที่เพื่อนได้ไปแชร์มาไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเขาตามเนื้อข่าวแล้วคนที่ผูกคอตายเป็นผู้หญิงอยู่ภูเก็ตบ้านอยู่สกลนคร ในภาพที่เห็นนั้นก็เป็นภาพศพที่อืดแล้วเจ้าของเรื่องเมื่อได้ดูก็ไม่ได้คิดอะไรกับศพเลยแต่รู้สึกขำคอมเมนต์เพื่อนที่ระเบิดตัวเองว่าเป็นศพแล้วอืดขนาดนี้เลยหรือขนาดตัวเพื่อนเรายังไม่ตายเลยแต่ทำไมอืดเท่านี้ตอนนั้นในใจไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ผู้ตาย พอคืนนั้นกลับถึงคอนโดลักษณะของคอนโดก็คือเปิดลิฟต์มาซ้ายมือจะเป็นทางขึ้นบันไดหนีไฟและห้องทิ้งขยะเป็นรูปตัวแอลและทางชั้นจะมีแค่สองห้องคือห้องเราและห้องเพื่อนบ้านเราก็ทำนู่นทำนี่จนถึงเวลาประมาณตี 2.50 เราก็เอาขยะออกไปทิ้ง จังหวะที่เดินเข้าไปก็ยังดีๆอยู่แต่พอทิ้งเสร็จแล้วหันกลับมานั้นก็เจอจังๆเป็นคนเดียวกับในไทม์ไลน์ของเพื่อนมาในลักษณะท่าทางที่ตายนั้นเลยสภาพและความอืดเหมือนกันเราทำอะไรไม่ถูกก้าวขาไม่ออกได้แต่สวดมนต์ตั้งสติแล้ววิ่ง ปากก็ร้องเรียกเพื่อนซึ่งมันไม่ได้ยินพอเข้ามาในห้องเพื่อนที่นั่งทำงานอยู่เลยถามว่าเป็นอะไรเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรทีนี้เราเกิดคอแห้งก็เลยหยิบแก้วน้าขึ้นมาแก้วน้ำกลับแตกคามืออย่างไม่น่าเป็นไปได้ไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว ก็เลยเข้าไปสวดมนต์ในห้องแต่พอสวดเสร็จก็ขนลุกไม่หยุดกลัวมากเลยในตอนนั้นจึงตัดสินใจเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวตื่นแล้วก็ไปทําบุญสิในใจตอนนั้นมันแปลกๆว่าผีจะมาหาได้อย่างไรส่วนตัวแล้วเราเจอผีค่อนข้างบ่อยแต่นี่ รู้สึกว่าเจอจังๆและมาแบบเละที่สุดในชีวิตก็เลยตกใจคืนนั้นเราได้นอนตอนตีห้าตื่นมาก็ยังไม่ได้ไปทำบุญเพราะตื่นไม่ทันหลังจากนั้นก็ยังไม่มีอะไรคืนที่สองก็ยังไม่มีอะไรแต่พอคืนที่สามเราก็ฝันว่าได้ไปอยู่ในหอพักที่หนึ่ง ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยไปเป็นตึกแถวข้างล่างเป็นร้านขายข้าวตามสั่งในฝันเราพักห้องสองแล้วก็มีผู้หญิงสามคนมาตามหาเราถามว่าเจอผู้หญิงคนนี้หรือขอดูห้องหน่อยได้ไหมแล้วเราก็ตอบรับเขาไปว่าได้คะ่ะไปดูได้คือกำลังจะเดินขึ้นไปกัน แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงทางขึ้นบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปหรอกดูในกล้องวงจรปิดก็ได้พอเปิดขึ้นมาเราทุกคนก็เห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ในท่าเดิมที่เราเห็นที่คอนโดในวันแรกที่เจอเหมือนมากจนเราตกใจตอนนั้นจําได้ว่าเราขยับตัวไม่ได้ แต่ก็พยายามจะปลุกตัวเองให้ตื่นแต่ก็ไม่ตื่นก็เลยสวดมนต์ทีนี้ก็ลืมตาได้แต่มันเหมือนฝันซ้อนฝันแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือสิ่งที่ทําให้เราช็อกสุดตั้งแต่เคยเจอมานั่นแหละคะ่ะคือพอลืมตาขึ้นปุ๊บก็เห็นหน้าเขาเต็มๆ ม, มาแบบเละจนบรรยายไม่ถูกอารมณ์แบบตาปลิ้นไม่คิดไม่ฝัน วันในชีวิตจะเจออะไรแบบนี้เราทําอะไรไม่ได้ได้แต่หลับตาแล้วบอกให้เขาไปเถอะอย่าหลอกกันเลยเดี๋ยวเราจะทําบุญไปให้เราก็คิดว่าเขาน่าจะทรมานมากเพราะฆ่าตัวตายพอตื่นมาเราก็รีบโทรหาแม่เล่าเรื่องราวให้แม่ฟังแม่บอกว่าต้องทําบุญให้ด่วนเลย พอเราวางสายจากแม่เราก็เริ่มค้นหาเนื้อข่าวเลยได้ความว่าเขาเป็นหมอนวดอยู่ที่ภูเก็ตแต่กลับไปทําศัลยกรรมที่สกลนครแล้วโดนแฟนเก่าทํำร้ายร่างกายได้รับความอับอายกลับมาภูเก็ตก็เลยคิดสั้นฆ่าตัวตายเราเลยหาเบอร์โทรศัพท์ของร้านนวดแล้วโทรไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วเล่าให้เขาฟัง เขาก็งงว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นเด็กที่ร้านเขาเราก็อธิบายและขอเบอร์แม่ของผู้ตายมาพอเราได้เบอร์แม่ผู้ตายมาก็โทรไปหาแม่ผู้ตายแล้วเขาก็บอกว่าเพิ่งเผาไปเองไม่น่าจะมีวิญญาณผูกติดเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้มากก็เลยบอกเขาไปว่าเราเจอจริงๆสองครั้ง ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเพราะเราก็หลอนนอนไม่ค่อยหลับเพราะกลัวเราเลยจบการสนทนากับแม่ของผู้ตายแค่นั้นพอเช้าของวันที่สเราก็ไปทำบุญชุดใหญ่ให้เขาหลังจากนั้นพี่เขาก็ไม่เคยมาให้เห็นอีกเลยแต่มีครั้งหนึ่งเคยฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง